วันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลวันหนึ่งทําไมจึงว่าเป็นวันมหามงคลปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งที่พวกเราจะได้มาพบมาเจอกันในเขตอําเภอน้ําโสมนายุงหาโอกาสเช่นนี้หายากเพราะาต่างองค์ก็ต่างอยู่พี่น้องประชาชนก็ต่างคนก็ต่างหาธรรมาหาเลี้ยงชีพที่จะได้มาพร้อมเพียงสมัคคีกัน ไปทําบุญทําทานพร้อมกับพระสงฆ์อย่างนี้หาได้ยากเว้นเสียแต่จะเป็นงานกระถินผ้าป่าก็ไม่มากถึงขนาดนี้ในกลุ่มของพวกเราเพราะต่างคนก็ต่างไปแต่ครั้งนี้ได้นัดรวมกันฝ่ายพระสงฆ์ก็ได้นัดรวมกันลงอุโบสถจากนั้นก็เลยนัดมาที่วัดครูบาอาจารย์ในถิ่นนี้สองสามวัด ญาติโยมพี่น้องประชาชนาก็ได้มาร่วมเพราะว่าเป็นวันพระ เ, เป็นวันพระไม่ใว่าเป็นวันเข้าพรรษาเข้าพรรษามาได้15วันเนี่ในช่วงเข้าพรรษาญาติโยมผู้ที่ว่างในหน้าที่การงานก็ได้เสียสละรักษาศีลเพราะวันนี้เป็นวันพระด้วยและเป็นวันอาทิตย์ด้วยส่วนพระสงฆ์ก็ ได้ทำอุโบสถหลายหลายอย่างวันนี้เพราะนั้นหลวกพ่อจึงได้ตั้งชื่อว่าวันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลสำหรับพวกเราได้ ส, ดสแสวงหาบุญหากุศลใส่ตัวเองสำหรับพระสงฆ์ที่บวชมาในพระพุทธศาสนาทั้งเป็นพระเก่าและใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระใหม่ที่เข้ามาบวช ในพระพุทธศาสนาก็ขอให้ทุกองค์ให้ตั้งอกตั้งใจรักษาศีลภาวนาประกอบคุณงามความดีตามที่ภูบาอาจารย์ในวัดนั้นๆแนะนำสั่งสอนก็ขอให้พระน้องนุ่งทั้งหลายให้ตั้งอกตั้งใจเชื่อฟังอย่าให้มีเรื่องมีราวอะไรเกิดขึ้นในพรรษาคือในพรรษาบางแห่งบางวัดพอเข้ามาบวชแล้ว บวชแต่กายแต่จิตใจนั้นไม่ได้บวชพอบวชเข้ามาแล้วก็มีเรื่องมีเราเกิดขึ้นเพราะนั้นพวกเราเข้ามาบวชในพุทธศาสนาการที่จะเข้ามาบวชพวกเราก็ได้เสียสละได้คิดดูดีแล้วทุกอย่างว่าเรามาบวชในครั้งนี้เราจะเข้ามาบวชเพื่ออุทิศบวชให้พ่อให้แม่ให้ปู่ย่าตายาย อุทิศส่วนกุศลให้แก่ท่านเพราะนั้นการที่เข้ามาบวชเราตั้งอกตั้งใจอย่างนั้นแล้วเมื่อเข้ามาบวชเราก็ตั้งพยายามสร้างคุณงามความดีรักษาศีลภาวนาให้เข้มงวดกวดขันอย่าให้มีจุดบกพร่องนะไม่ใช่ว่าเราเข้ามาบวชแล้วเรามาบวชเพื่อหาอยู่หากินมาเที่ยวมาเล่นเฉยเฉยไม่ใช่อย่างนั้น เรามาบวชเพื่อกุทิศส่วนกุศลให้แกบิดามารดาครูอุปชาอาจารย์ปู่ย่าตายายถ้าหาว่าเราเข้ามาบวชแล้วไม่สนใจบุญกุศลก็จะไม่เกิดนะเหมือนกับคนขี้เกียจขี้ค้านไปทํางานต่างประเทศนั่นแนหะส่งไปทํางานต่างประเทศพอไปแล้วมีแต่ขี้เกียจขี้ค้านเล่นการพนงพนันกินเหล้าเมายาสมมาเลเทเมาแล้วจะได้ส่งเงินมาให้พ่อให้แม่ได้อย่างไรอันนี้ก็เช่นเดียวกัน พ่อแม่พี่น้องส่งเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเพื่อสสแสวงหาบุญกุศลแต่ผู้ที่เข้ามาบวชแล้วทำตัวไม่ดีทำตัวสัมมาเลเทเมาแล้วบุญกุศลจะส่งให้พ่อให้แม่ได้อย่างไรเพราะขนาดตัวเองอยังไม่คุ้มตัวเอง เ, อเพราะนั้นการเข้ามาบวชเราต้องคิดให้ดีต้องตั้งตนให้ดีต้องตามตนให้เป็นคนดีให้เป็นพระที่ดอีอยู่ในกรอบของหลักธรรมินัย ให้เชื่อครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนอย่างไรเราก็พยายามปฏิบัติตามจากนั่นก็เดินค้นดูตํำรับตําราพระไตรปิฎกเกือบจะมีกับแทบทุกวัดละเดี๋ยวนี้พระไตรปิฎกนะเราพยายามอ่านพยายามศึกษาจากนั้นก็อ่านวิรนมุกเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสามนะวะโกวาทจากนั้นก็อ่านลิกขิตธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์หลวงปู่เทศหลวงปู่ต่างๆ ในวัดมีอยู่ให้พวกเราพยายามศึกษาให้เข้าใจอาศัยการได้ยินได้ฟังบ่อยๆจึงจะเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาได้ถ้าหากว่าเราขี้เกียจเราไม่ศึกษาเข้าไปกับไปนอนแช่มิตรกรและนินกินแลนอนสติปัญญามันก็ไม่เกิดเด้ถ้าหากว่าพวกเราเข้าไปศึกษาค้นคว้าแล้วพวกเราจะได้ความรู้ความฉลาดในหลักธรรมคสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสุตตมยปัญญา การได้ยินได้ฟังก็เกิดปัญญาจินตามายะปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาการไข้ควรทบทวนไตรตรองเหตุและผลที่เราได้ยินได้ฟังแล้วภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทำจิตให้สงบอันนี้ก็เป็นหนทางของปัญญาที่จะเกิดขึ้นแต่ถ้าว่าเราไม่ได้ศึกษาเราไม่ได้ยินได้ฟัง จากครูบาอาจารย์จากหมูจากเพื่อนจากตำรับตำราแล้วจะเกิดปัญญานั้นหาได้ยากเพราะนั้นพวกเราทุกๆคนให้ตัองอกตั้งใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องจิตตะภาวนาเป็นสิ่งที่จาเป็นสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพระที่อยู่ในวงในของพวกเราคือถ้าผมเองเคยแนะนำสั่งสอนเคยแนะนำหมู่พกเพื่อนที่เข้ามาบวชกับผมหลายยุคหลายสมัย ผมเองได้แนะนำว่าการดูตำรับตารานั้นถ้าคิดเป็นเปอร์เซนต์ออกมาการดูตำรับตำราศึกษานั้นสักยีแต่ส่วนที่ให้ภาวนาทำจิตให้สงบแล้วเดินยังกลมนั่งภาวนานั้นให้ 80% ซคือพยายามทำให้มาก เ, เมื่อเราออกเป็นฆราวาสไปแล้วเราก็มีโอกาสที่จะได้ศึกษาต่อก็ได้แต่ที่เราบวชเข้ามาเนืหาโอกาสได้ยาก ที่จะได้อยู่ตามลําพังอยู่ได้อยู่คนเดียวแล้วก็ได้ภาวนาได้นอนคนเดียวอยู่คนเดียวยเกุฏิหลังเดียวเป็นวัดป่ากับพร้อมที่จะพยายามตรวจตราดูตามแนวทางของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่พระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนลงมือประพฤติปฏิบัติจะได้พิสูจน์ตัวเองในหลักธรรมคาสั่งสอนว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนถูกต้องจริงหรือไม่ ผิดหรือถูกอย่างไรพวกเราก็จะได้ค้นคว้าและศึกษาให้จริงจังเพราะว่าเรานับถือพระพุทธศาสนาไม่ใช่ว่านับถือแบบถือๆกันมาเขาว่ายังก็ถือกันมาตามไม่จริงตัวเองไม่ได้สัมผัสร ถ, รถมันก็ถือแบบลอยๆถือแบบไม่จริงจังแต่ถ้าว่าพวกเราปฏิบัติ ด, ด้วยรู้เห็นด้วยจิตสงบไปด้วย อันนี้แปลว่าเราได้รับผลอย่างเต็มที่เราจะเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถึงลากถึงโคนถึงใจจริงๆแต่ถ้าว่าพวกเราได้ศึกษามานั้นนะเขาว่าตายแล้วสูนนะเอะ๊จริงหรือเปล่าวะตายแล้วเกิดนะเอะ๊จริงหรือเปล่าวะมันก็มีความสงสัยอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าว่าพวกเราลงมือปฏิบัติภาวนาเข้าไปถึงจุดหนึ่งแล้วความสงสัยนั้นจะหายไป เพราะว่าธรรมะเป็นปัจจิตตังผู้ปฏิบัติย่อมรู้ได้เฉพาะตัวเองเพราะฉะนั้นอยากจะเน้นให้พวกพระน้องนุ่งทั้งหลายให้ตั้งอกตั้งใจภาวนาในการเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาการภาวนาเ น, นี่ยนะสติเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างมากพราะเวลาเราเผลอไปเมื่ อ, อไหร่ใจของเราออกไปข้างนอกมันก็ไปคว้าเอาสัญญาอารมณ์เข้ามาก็มาเผาตัวเองกิเลส ก, ก็เข้ามาเผาตัวเอง ه, พอเรามีสติมันก็หายไปให้มีสติอยู่ตลอดเวลานั้นเธยตั้งสัจจะในใจเลยว่าเราไม่ให้มันเผลอเวลาเดินไปที่ไหนก็ขาขวาพุทธขาซ้ายโทปัดกวาดกับพุทโทเดินไปที่ไหนกับพุทธโทรทำอะไรกับพุทธโทมีสติอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดพยายามคือมันเผลอไปก็ดึงกลับมาพอมันเผลอไปก็ดึงกลับมาอยู่อย่างนั้นเวลาไปบินทาบาตในบ้านเดินไปพุทโทพุทโทไป พอไปเห็นคนวับมันเผลอวับเดินกลับมาแเทพอต่อมาไม่นานเพราะเรามีความพยายามมีความมุ่งมั่นอย่างหนักจิตใจ ร, รู้สึกว่าสติของเรารู้สึกว่าแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยเรื่อยเอยมีสติเข้ามาเข้ามาเรื่อยเรื่อยเออปนที่สุดจนไม่เผลอเพราะมีสติอยู่กับตัวเองจากนั้นเวลานั่งถ้ า, าว่าคนท่านองค์ใดก็ตามถ้าจิตไม่สงบแล้วจะนั่งทั้งคืนเป็นไปไม่ได้เนียสู้กับเวทนาสู้กับจิตเนี่ย มันไม่ได้หรอกไม่ได้กี่น้ำามงนั้นเถอะหงายเล ย, ยงั้นเถอะแต่ถ้าหากว่ามีสติอยู่กับตัวเองจิตสงบแล้วจะนั่งได้นานยิ่งจิตลงเป็นอัปปนาสมาธิจิตกับกายไม่เกี่ยวข้องกันแล้วนั่นแหละจะนั่งได้นานมากๆเพราะนั้นพวกหมูพวกพระน้องนุ่งทั้งหลายให้ตั้งปกตั้งใจนะะเรื่องภาวนาเนี่ยสติต้องมาก่อนพยายามให้มีสติอยู่กับตัวเอง ผมก็เคยทํามาแล้วพอผมเคยเปฏิบัติม า, าสมัยผมเป็นพระหนุ่มพระน้อยไปภาวนาอยู่ในป่าเอาวันนั้นในกลางพรรษานะเราก็พยายามเอาเตรียมน้ําเอาไว้อตามอาบน้ําสูงแต่ไม่มาก เ, าเตรียมใส่ตุ่มมาไว้บอกว่าเราจะอดจะภาวนาดูกจะไม่ให้มันเผลอเป็นยังไงเอในขณะที่อดอาหารเนี่ยออยู่ตามลําพังองค์เดียว อางนั้นก็อดอาหารใช่แล้วพุทโธพุทโธอย่างเดียวมันออกไปไกลทีแรกต่อมาขยับเข้ามาขยับจนถึงอยู่กับตัวเองพอยึงตัวเองเออมันไม่เผลอแล้วสิเนี่ยมันอยู่กับตัวเองพอตื่นขึ้นมาปุ๊บมันจะรู้ทันทีมีสติถ้าจะว่าไปเหมือนอัตโนมัติอย่างนั้นแหละเอแต่ทีนี้พอถึงเจวันมันพอว่าจะออกเจ็ดวันมันขยับออกไปเหมือนกันนะขยับห่างออกไปดึงกลับคืนห่างออกไปเพราะในสุขก็เลยห่างเป็นปกติ นี่สรุปแล้วก็คือถ้าหากว่าเราพยายามมีความพยายามมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจจริงในในการกําหนดสติอยู่กับตัวเองผมว่าจะเกิดประโยชน์อย่างมากสําหรับพวกเราทุกทุกท่านนะและก็จะเห็นผลในการประพฤติปฏิบัติว่าจิตเป็นสมาธินั่นเป็นอย่างไรแต่ถ้าหากว่าพวกเรามีแต่ภาวนาเฉยๆนั่งรักษาศินภาวนา จิตยังไม่สงบนั้นยังไม่เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนานะยังไม่เห็นคุณค่าพระพุทธเจ้าที่แท้จริงแต่ถ้าว่าพวกเราปฏิบัติลงมือปฏิบัติเอาจริงเอาจังจิตใจสงบจนถึงขั้นเป็นอัปปนาสมาธิจิตเป็นอันหนึ่งกายเป็นอันหนึ่งกายกับจิตเป็นคนละอันกันอยู่คนละส่วนกันไม่ใช่ไม่เกี่ยวเนื่องกันรู้ว่ากายเป็นกายจิตเป็นจิตเอถ้าว่าทําได้อย่างนั้นเราจะรู้ได้ว่า เมื่อร่างกายแตกไปแล้วใจนี่ยไม่แตกไม่ตายไปเกิดอีกปฏิสนธิได้อีกอาตายแล้วไม่สูญสรุปแล้วนะเพราะนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายทั้งอกตั้งใจนะสำหรับพระใหม่และพระเก่าก็าเช่นเดียวกันสำหรับพี่น้องประชาชนญาติโยมที่มาวันนี้ก็เยอะแยะก็ขอให้ในพรรษานี้นะ พรรษานี้ให้ตั้งอกตั้งใจถ้าหากใครยังไม่เข้าวัดไม่รักษาศีลยังไม่ถึงที่ก็พยายามนะในพรรษานี้ถ้างดได้ก็พยายามรักษาศีลห้าตลอดไตรมาสสมเดือนได้ไหมรักษาศีลทุกวันพระได้ไหมศีลห้าศีลแปดทุกวันพระได้ไหมวันตักบาตรทุกวันเมื่อพระสงค์มาผ่านหน้าบ้านพวกเราเราใส่บาตรทุกวันได้ไหม อันนี้เป็นการทาบุญทําทานถ้าว่าพวกเราทําอย่างนั้นได้พวกเราจิตใจก็จะได้รับความร่มเย็นเป็นสุขนะสําหรับพี่น้องประชาชนญาติโยมถ้าจะว่าไปแล้วสําหรับญาติโยมธรรมะคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีสามถ้าจะแยกให้เป็นหลายระดับก็ได้แต่เราแยกให้ให้เป็นระดับสามดูนะเพียงจะให้ให้ดูค่ะสำหรับศีลห้า สำหรับสินหศาสินของครวัตถ้าว่าใครมีศินห้าก็มีความร่มเย็นเป็นสุขเป็นเครื่องประกันสังคมว่าคนมีศินนั้นจะอยู่ในสถานที่ใดเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะก็มีความร่มเย็นเป็นสุขเพราะมีศินเสมอกันไม่มีใครที่จะคิดจะฆ่าจะแกงกันมีไม่มีใครที่จะโกหกพกลมกันไม่มีใครจะต้มจะตุ๋นกันไม่มีใครจะโกหกหรือไม่มีใครจะเบียดเบียนประพฤติคิดนอกหลู่นอกทาง ร่มเย็ยนเป็นจุกระดับหนึ่งอันดับที่2การเป็นอยู่การคองชีพของพวกเรากูอยู่ในอิทธิบาท4ทิฏิธรรมมิกตรตทบประโยชน์สแล้วก็ลหลายๆอย่างสำหรับเวนเครื่องบริหารสำหรับพวกเรานะแต่ถ้าว่าให้สูงสุดขึ้นไปกว่านั้นกันเนี่แหล ะ, ะเรื่องอทำตนให้ถึงมักถึงผลถึงมักถึงผลคือ สติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมไตรลักษมารแป8เหล่านี้แหละอันนี้คือธรรมะขั้นสูงสุดสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายแต่สำหรับพี่น้องประชาชนญาติโยมเพียงจะมีศีลห้าให้มีความพร้อมเพียงสมัคคีเออแล้วก็ให้รักกันไว้ในครอบครัวท่านนี้ก็มีความสุขแล้วออมื่อเช้านี่หลวงพ่อเองก็ได้พูดเกี่ยวกับ การเป็นอยู่ของครอบครัวถ้าครอบครอบครัวใดมีความพร้อมเพียงสมัครคีพบหลวงพ่อปาลารบถึงวันแม่วันแม่วันที่สิบสองสิงหาที่ผ่านมาแม่เป็นผู้มีพระคุณอย่างมากสำหรับลูกทุกคนเราเกิดมาเกิดมาจากไหนเกิดมาจากแม่พ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิด เ, เราเกิดมาเพราะนั้นเวลาเรา จะทำบุญกุศลอะไรเราก็ต้องอุธิตส่วนกุศลให้ท่านเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วแต่ถ้าว่าท่านยังมีชีวิตอยู่พวกเราจะทำอย่างไรเมื่อทางท่านยังมีชีวิตอยู่ถ้าหว่าท่านเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นหน้าที่ของลูกทุกคนที่จะต้องหันหน้าเข้าหากันเยียวยารักษาบิดามารดาของพวกเราแต่ถ้าว่าท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีอยู่พวกเราจะทำยังไงนานที ปีหนึ่งเราจะไปกี่ครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพรรษานี้ถ้าพ่อแม่อยู่ใกล้หลวงพ่อว่าถ้าว่าเป็นข้าราชการก็กวนจะไปกราบพ่อแม่ทุกอาทิตย์ไม่ให้ขาดได้ไหมสำหรับพี่น้องญาติโยมก็ไปกราบพ่อแม่ทุกวันพระได้ไหม ถ, นะถ้าอยู่ใกล้นะถ้าอยู่ไกลพวกเรากอ็อพยายามส่งเงินทองมาให้พ่อแม่ได้ใช้ เพื่อบูชาพระคุณบิดามารดาสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของลูกของลูกทุกๆคนนะจะปล่อยปะละเลยไม่ได้เพราะนี้เป็นธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธศาสนาธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าบุพกาลีบุคคลผู้มีอุปการะก็คือพ่อแม่ของเรานี่แหละพวกเราก็กระตันญูกตเวทิตาตอบแทนพระคุณของท่านเป็นหน้าที่ของลูกทุกคนจะต้องดูแล แต่ถ้าพวกเราทำถูกต้องเป็นธรรมแล้วมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะถ้าหากว่าทำไม่ถูกนะถึงจะเจริญทางโลกขนาดไหนความขีดหายในจิตในใจใจจิตใจของเราก็เหี่ยวแห้งอับเฉานะไม่เจริญรุ่งเรืองทางจิตใจแต่ถ้าว่าพวกเราทำถูกต้องเป็นธรรมแล้วมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะกับบิดามารดาเพราะนั้นพวกเราให้เคารพรักแล้วก็แบ่งปัน ทรัพ ส, สมบัติที่เราได้มาดูแลบิดามารดาของพวกเรานะถ้าว่าพวกเราพ่อแม่ของเราล่วงรับดับขันไปแล้วก็ทําบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้ท่านเพราะพวกเรานั่งอยู่ที่นี่นทุกคนตั้งแต่หัวจนถึงเท้าเราได้มาจากใครถ้าว่าลูกลูกะไม่ใช่ลูกอย่างอื่นนะลูกนี่เพราะ ง, งั้น ถ, ถ้าจะพูดให้จบแล้วคือลูกนี่คือพ่อแม่เอา ก้อนนี้ให้พวกเราเราเป็นหนี้พ่อแม่เอาก้อนนี้ก้อนนี้มาทํามาค้าขายมาทํามาหาเลี้ยงชีพเพราะนั้นเมื่อเราได้เงินคําทรัพย์สมบัติขึ้นมาเราก็ควรจะส่งหนี้ควรจะส่งดอกผลให้แก่ท่าน เ, เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วก็ทําบุญุทธิ์ส่วนกุศลให้ท่านทํามเมื่อยังท่านยังมีชีวิตโยก เ, เราก็ควรจะทดแทนด้วย เข้าน้ำปัจัยปัจจสี่จจ 4, ทดแทนพระกุลบิดามาันดาอันนี้ก็คือทำหน้าที่ลูกที่ดีลูกนี้ที่ดีต่อบิดามาันดาทีนี้มาถึงความพร้อมเพียงสมัคคีในครอบครัวทีนี้สามีพัญญาลูกเต่าการอยู่ร่วมกันมันมีบางคนก็บางทีก็พ่อผิดบ้างบางทีก็แม่ผิดบ้างบางทีก็ลูกผิดบ้าง หลวงพ่อพูดเมื่อเช้าในวันนี่แหละการอยู่ร่วมกันแต่ถ้าว่าครอบครัวใดมีความพร้อมเพียงสมัคคีกันครอบครัวนั้นก็มีความร่มเย็นเป็นสุขได้แต่ถ้าว่าครอบครัวใดแตกสมัคคีกันครอบครัวนั้นเป็นทุกข์คนอื่นที่มันอยู่ทั้งนอกะถึงจะมีลบปลาข่าฟันกันพวกเราอยู่ในครอบครัวมันก็ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าว่าคนในครอบครัวแตกแยกสมัคคีกัน่ะ แม่พ่อก็ไปทางหนึ่งแม่ก็ไปทางหนึ่งลูกก็ไปทางหนึ่งนั่นแหละ เ, เหมือนริ่งกว่าไฟเผาครอบครัวล่ะที่นี่เพราะนั้นจะทำยังไงจึงจะให้ครอบครัวร่มเย็นเป็นสุขได้ก็ต้องหันหน้าเข้าหากันไม่มีทางอื่นที่จะมีความสุขได้คือพ่อแม่อย่างหลวงพ่อยกตัวอย่างมือเช้านี่หมดจะเป็นวันพ่อก็ตามจะเป็นวันแม่ก็ตาม มีการปรวารณาต่อกันอย่างพระนี่ออกพรรษาเป็นวันปวนารณาเนีบอกว่าข้าพเจ้า อ, อย่างหลวงพ่อนี่ยเป็นหัวหน้าในวัดนี้หลวงพ่อก็บอกเออการกระทําของผมด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีอสงสัยลังเกียจ ด, ด้วยใจก็ดีถ้าผมทําไม่ถูกขอให้หมูพวกเพื่อนตักเตือนผมได้อผมยินดีรับฟัง เ, เหตุผลของหมูของเพื่อน อ, อันนี้ถ้าหาว่าเราเรามาใช้อย่างวันแม่หรือวันพ่อเนี่ยเออ ๕ธันวาหรือว่า๑๒สิงหาเนี่ยเรามากินข้าวพ่อแม่ร่วมวงเดียวกันอเราก็พูดขึ้นมาพ่อก็ประวรตนาตัวก่อนว่าเออลูกทุกคนนะถ้าหากว่าพ่อทำจริงไหนที่มันไม่ถูกอทําทให้แม่บ้าน เ, าเจ็บใจหรือว่าลูกเจ็บใจอลูกงคนใดหรือว่าอาแม่บ้านมีความ ไม่สบายใจก็ขอบอกผมได้นะผมยินดีรับฟังปรับปรุงแก้ไขตัวของผมเองผมเองก็ไม่ได้คิดว่าจะถูกต้องทุกอย่างบางทีอาจจะทําให้พวกท่านทั้งหลายในครอบครัวของเราเดือดร้อนก็ได้ผมยินดีปรับปรุงแก้ไขถ้าหากว่าผมทําไม่ถูกแต่พูดด้วยความจริงใจนะไม่ใช่พูดแบบแสร้ ง, งพูดแบบงั้นเถอะพูดด้วยความจริงใจออกมาจากใจจริงจากนั้นแม่บ้านก็พูดว่าเออฉันเช่นเดียวกันถ้าหากว่าทํา สิ่งไหนที่มันไม่ถูกไม่เหมาะไม่สมไม่ควรเที่หนักกหนักใจพ่อบ้านก็ดีลูกก็ดีก็ขอให้บอกฉันหน้าชันจะเป็นจะปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่มันไม่ดีไม่ถูกต้องให้ถูกต้องอให้อยู่ร่วมความร่มเย็นพักสุขร่วมกันลูกก็เหมือนกันพ่อแม่เห็นผมการกระทำของผมที่ไม่ดีก็ขอให้พ่อแม่ตักเตือนผมได้ผมยินดีรับฟังและจะปรับปรุงแก้ไข ลูกสาวกับฉันก็เหมือนกันถ้าว่าพ่อแม่เห็นฉันทําไม่ถูกต้องก็ขอให้ว่ากาวตักเตือนฉันฉันจะรับปฏิบัติเต็มความสามารถที่จะปฏิบัติได้แต่ถ้าว่าครอบครัวของเรามีความปรารถนาดีต่อกันมีการภารวนาตัวต่อกันให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นผู้ว่ากาวตักเตือนเพราะบางสิ่งบางอย่างพวกเรามองไม่เห็นนะยักเยื่อเข้าตาของเราเนี่ยเรามองไม่เห็นเพราะมันใกล้เกินไป แต่คนอื่นเขามองเห็ น, เ, นเมื่อเขามองเห็นเราเขาตักเตือนเราเราก็ต้องนำมาคิดมาคุ้นคิดมาพิจารณาเออเขาพูดเนี่ยมันจริงหรือเปล่าถูกต้องหรือเปล่าจากนั้นเราก็ทำใจให้เป็นกลางๆจากนั้นก็ปรับปรุงแก้ไขตัวเองถ้าหากว่าพวกเราทำอย่างนี้ได้หลวงพ่อว่าครอบครัวนั้นจะมีความร่มเย็นเป็นทุกนะแต่ถ้ า, าว่าพวกใดวาดแต่ตัวเองถูกแม่ก็ ไปอีกอย่างหนึ่งพ่อก็ไปอีกอย่างหนึ่งมีแต่คนเก่งๆมีแต่คนว่าตัวเองดีตัวเองเด่นในครอบครัวนั้นจะหาความสงบสุขไม่ได้มีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นขอฝากไว้กับญาติโยมทุกๆคนวันนี้ได้มาฟังพระครูบาอาจารย์ท่านให้แสดงความคิดเห็นให้พวกเราเป็นการกล่าวตักเตือนจึงกันและกันการกล่าวตักเตือนจึงกันเลยกันเป็นหน้าที่ของพวกเรานะ เพราะพวกเราเป็นพุทธบริษัทสอุบาสกก็คือโยมผู้ชายอุบาสิกาก็คือโยมผู้หญิงพระสมมาเนนอันนี้ว่าพุทธบริษัท4ีถ้าว่าพวกเราไม่กล่าวไม่ตักเตือนไม่สอนกันไม่บอกกันใครจะเป็นผู้มีเจตนานดีจะมาบอกกล่าวสอนพวกเราพราะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ขอให้พวกเรานำไปคิดนำไปพิจารณา ปรับปรุงแก้ไขทั้งฝ่ายพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ก็อย่างที่กล่าวมาก็ให้ตั้งอกตั้งใจภาวนาวิธีการทำสมาธิก็ได้พูดเป็นเบื้องต้นตลอดถึงพี่น้องประชาชนก็ให้มีศีลห้าเป็นพื้นฐานให้เป็นคนดีให้มีคาวาดธรรมธรรมของคารวะประจําจิตประจําใจของพวกเราพวกเราจะมีแต่ความร่มเย็นผาสุขตลอดไปการอวสาน ในการพูดเนี่ยก็ขอใหออ้หมู่พวกเพื่อนทุกองค์ตลอดพี่น้องประชาชนทุกท่านให้ประสบแต่ความสุขความเย็นใจปรารถนาสิ่งใดที่เป็นธรรมก็ขอให้สำเร็จสมความมุ่งมาตรปรารถนาทุกประการเทิน